50 languages. สิบเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้ค่ำัจคเมื่อวานเป็นวันเสาร์ค่วันศุกร์ เมื่อวานดิฉันไปดูหนังคืนแม่ฟิล์มดิคันแก่สินสหนังน่าสนใจภาพยนต์น่าสนใจฟิลมดิลเชสพสวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย วันนี้ดิฉันไม่ทำงานอาจแม่ทำงานไม่ा่ะเรียห์ฮะอาจฉม่ ह ीงานรยหดิฉันอยู่บ้านแม่การวิจารหังกม่กาวิรหงพรุ่งนี้เป็นวันจนันทร์คืนศุกรวารห พรุ่งนี้ดิฉันไปทำงานอีก कल मैं फिर ร์ตุ่งทำงานกางกาคืนตุ่ดิฉันทำงานที่สำนักงาน मैं द फ ือดต์รเวชุ์ทำงานกัดห์ฮะแม้เดือดต์คนนั้นคือใครโอ้คนเห คนนั้นคือปีเตอร์โอปีเตอร์ฮหปีเตอร์เป็นนักศึกษาปีเตอร์วิทยาลัยทีคนนั้นคือใครโอ้ใครเหคนนั้นคือมาธาโอมาธาเหรอมาธาเป็นเลขานุการ มาธาเซ็กเตรี่เฮปีเตอร์และมาธาเป็นเพื่อนกันปีเตอร์และมาธาเป็นเพื่อันปีเตอร์เป็นเพื่อนของมาธาปีเตอร์มาธาดาดูสต์เมาธาเป็นเพื่อนของปีเตอร์มาธาปีเตอร์ดีดส